Book <S 2 S <ám>. <S 3สการทาความรู้จักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด о б ý den สบายดีไหมคะ y a k se m á t e คุณมาจากยุโรปใช่ไหมคะ Stes Evropy คุณมาจากอเมริกาใช่ไหมคะ Stes a m e r i k y uh คุณมาจากเอเชียใช่ไหมคะ Stes a z i e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 ขอโทษ น, นะคะพรุ่งนี้ดีฉันไม่ว่างมรซิมี u ต m ต m ฉ p l ม n u n นอ c o i n n ื่ o ลาก่อนค่ะไช่ลาก่อนค่ะนัสค o อดานูแล้วพบกันนะคะ